ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประวทิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมากมันตลัลคือการงานชอบหรือว่าความประพฤติชอบก็ได้ขยายออกไปถึงผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการงดเว้นจากปานาธิบาตตามที่พระตกะถาจารย์ท่านในแสดงเอาไว้ แต่ทีนี้เมื่อเรามองมุมอีกด้านหนึ่งคือพัฒนาการทางจิตที่เดินไปตามเส้นทางซึ่งส่งแสดงไว้ในพระบาลีในช่วงหลังสุดว่ามีความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายเพรา ะ, ะความเมตตาเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมแต่เป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือการุณา พราะว่าสัตว์โลกนั้นมากไปด้วยความทุกข์อย่างพระวจิราเทรีภิกษุณีท่านแสดงไว้ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเพราการกรุณานั้นไปแก้ปัญหาความเบียดเบียนกับความสุข ซึงก็เป็นปัญหาทาวรในโลกมนุษย์ว่าการเบียดเบียนประตุสลายกันในหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นมันมากมายจนไม่อาจจะนับได้ทั้งเบียดเบียตนตัวเองทั้งเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็ทั้งเบียดเบียนทั้งสงฝ่ายแต่ว่าการที่ใจจะเดินไปถึงกรุณาได้เนี่ยมันต้องพัฒนาไปจากเมตตาแล้วก็ที่จริงก็พัฒนาจากปานาติปาตานนั แต่ถ้าเรามองเป็นภาพที่เราเรียงขึ้นไปนะครับว่พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายที่จริงสะท้อนมาจากจิตของมนุษย์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยมันก็ออกมาในหลายลักษณะก่อนที่จะมาเป็นศีลที่จริงมันมีการเบียดเบิยน คือการประพุติการกระทำที่นำความเรอดร้อนมาสู่ตนเองและมาสู่บุคคลอื่นหรือเบียดเบียนเฉพาะบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนเฉพาะตนเองแต่ยามมันก็มีปัญหาในตัวของมันแล้วพร้อมที่จะกระจายสภาพปัญหาให้แพร่หลายออกไป ใ, ในกรณีของศึกสงครามเราจะเห็นว่าจริงๆก็เป็นการเบียดเบียนตนเองก็เบียดเบียนบุคคลอื่น และถ้ายัางหาข้อยุติไม่ได้มันก็ขยายผลของการเบียดเบียนกระจายออกไปบางทีก็ยากต่อการที่จะแก้ไขเช่นมายุตสสงครามโลกสองครั้งเนี่ยความสูญเสียนั้นเป็นอเนกนั้นเหลืยกันร่องรอยของความสูญเสียร่องรอยของความเจ็บปวดรวดราวการพลัดพรากการทุกข์ทรมานก็ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แล้วก็เป็นมรดกบาปที่สอนอนุชนรุ่นหลังให้ได้มองเห็นว่าบารรพชนก็ตนได้ประพฤติกระทําผิดพลาดมาอย่างไรบ้างป็นที่น่าเสียดายถ้าหากว่าคนได้มาจับหลักศีลข้อที่หนึ่งเพียงข้อเดียวนะฮะจับให้ได้เป็นข้อเดียวและพัฒนานเดินไปจนถึงจุด ที่มีเมตตาเอินดูซึ่งมันเป็นธรรมะไปแล้วทีนี้การเมตตาอินดูนั้นถ้าเรามองดูมองที่จิตนะฮะอย่าไปมองที่อื่นมองที่จิตเราพเพราใครก็ตามที่เราเมตตาเขาเนี่ยแต่ว่าเขาประสบปัญหาเราอยู่ในวิสัยที่จะช่วยก็ได้เราก็จะช่วยก็แสดงว่าเราเกิดกรุณาจิตต่ตอเขา แต่บางเรื่องก็สุดวิสัยที่จะช่วยได้เขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาได้กฎหมายความมาใจเราก็จะอยู่ในกระแสของธรรมแต่ว่าอยู่ในข้อใดเท่านั้นเองในขณะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธศาสนาสอนในรูปของบา ร, รมีทงความาสังเกตนะว่า มันจะไม่มีกรุณาบารมีแต่กรุณาบารมีนั้นมันก็พัฒนาขึ้นไปจากเมตตาบารมีปัญญาบารมีผการให้ทานก็นดีการ เ, าเสียสละคือประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องมีเมตตากรุณาต่อบุคคลดนนั้น เมตตาเป็นธรรมะที่เราค่อนข้างจะขาดแคลนสังคมไทยเป็นสังคมแห่งเมตตาธรรมเรามองย้อนไปที่สุโ ข, ขทยัยเราจะคุ้นเคยกับคําว่าปลูกไมตรี่ารู้ร้างสร้างกุศลจะรู้รยซึ่งเป็นบทสรุปที่เยี่ยมมากแสดงว่าถ้าหากว่าคนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ปลูกไมตรีไม่รู้ร้างสร้างกุศลไม่รู้ร ย, ยได้ ความเมตตาความกรุณาความมุติตาและแตกต่างมันจะเกิดทยอยกันมาเป็นครื่นตามสมควรแกร่สถานะของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปวันก่อนได้สรุปกรอบของคำว่าเมตตาในสถานะเป็นอโทสะเจตสิกคือตำหลักของอริธรรมนะครับแต่ก็ได้บอกไว้ว่าเมตตาอโทสัจก็คือเมตานั่นแหละ เปียนแต่ว่าเมตตานั้นเป็นอาการของธรรมะอโทสะนั้นมันคาบเกี่ยวระหว่างธรรมะกับสิ่คือการงดเว้นไม่ประทุษร้ายแต่ไม่เป็นความรู้สึกภายในใจคือไม่ยันถึงกับไปประทุษร้ายทางกายทางวิชาอย่างนู้นมันกัเป็นกายกรรมวจิกรรมไปตัวนี้ก็มุ่งถึงจิตที่มันมีความประนีตขึ้นตอนเมตตานี่มีความเป็นไปในอาการเกื้อกูล ก่บุคคลอื่นเป็นลักษณะมุ่งประโยชน์มุ่งมุ่งเกื้อกูลเมื่อความมุ่งความสุขแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นความคิดก็เอาจิตตัวเองเป็นฐานในการคิดที่ท่านชายคำบรลีว่าอัตานังอุปมังกัตตวาโือทำตนเป็นอัวมาเชียบเคงยดี๋ยที่พระเจ้ารับสั่งแก่เด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งล่จีงู รลวงองก็เสด็จเข้าไปแล้วก็สอบถามมาทําอะไรกันเด็กเรานั่นก็กราบทุนว่ากําลังตีงูแล้วสั่งถามมา ง, งูอะไรเือตอบว่างูเรือนคืองูเขียวถามมาตีทําไมเธอตอบไม่ได้พระเจ้ารับสั่งถามเป็นการพัฒนาปัญญาบุญสเกตนะฮะพัฒนาปัญญาเมื่อก่อนมาเกิดวิหิงสาคือเบียดเบียน แต่เบ็ดบดนมันมาจากงูคะเพราะเธอตอบไม่ได้บิดเวียนเขาไปทําไมเธอรู้ว่างูอะไรนะ่ะงูที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรก็ใครนะเธอรู้รพเพราะนี่พเจ้าก็พัฒนาปัญญาเวล า, าฉันตีเธอบ้างนียจะเอาไหมเด็กตอนนั้นก็ตอบว่าไม่เอาถามว่าทําไมไม่เอาละ่ะเด็กก็กราบทูลว่ากลัวเจ็บพระเจ้าก็ เพิปัญญาขึ้นไปนะให้มองไปที่งูแล้วก็กลับมาที่เรามองที่เราแล้วก็กลับไปที่งูถามว่างูนี่กลัวเจ็บไหมก็ตอบว่ากลัวเจ็บเราก็กลัวเจ็บงูก็กลัวเจ็บก็ทั้งคนด่างกลัวเจ็บกันนะเนี่ยตานนั้นก็ต่อไปก็ต้องคิดใหม่เคยทําตนเองเป็นอุปมาเคยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ประฏิสลายสัต อย่าลืมนฮะให้ลองสังเกตว่าการจะไปลดกิเลสเนี่ยมันต้องเริ่มที่อโมหะหรือความไม่หลงคนเราจะต้องมองเห็นโทษของกิเลสมองเห็นคุณของการไม่มีกิเลสหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควบคุม ก, กิเลสเอาไว้ได้แล้วจิตก็จะเดินไปบนกระแสของมธรรมะได้เพราะการปฏิบัติเกื้อกูลกันเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องที่ทุกชีวิตก็ต้องการ สมมติอาจจะโบราณแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นความต้องการโดยพื้นฐานที่บอกว่าคน ร, ารักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นเสือ่อก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะ น, นั้นแล้วก็ประพฤติเมตตาจิตต่อบุคคลทั้งหลาย โดยมุ่งทำประโยชน์คือกูลแก่เขาด้วยกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างหรือยังไม่มีอะไรก็เป็นระดับมนกกรรมแต่เพิ่งสังเกตว่าพอเมตตาเข้าเป็นฐานจิตอยู่อย่างนี้แล้วมันออกได้ตลอดตามต้องควรแกตัวนี้โดยพื้จิตจริงๆเนี่ยเมตตามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์เราไม่จมจงหมูนนั่นหมู่นี้พวกนั้นพวกนี้แต่พอ สัตว์เหล่านั้นประสบ ป, ปัญหามีความเปลี่ยนแปลงไปจิตก็จะปรับคือจะเปลี่ยนแปลงตามไปจากประสบความทุกข์ก็เกิดกุณาเพราะว่ากาุณนานั้นมีสัตว์ที่ประสบความทุกข์ภัยโรคเป็นอารมณ์ก็ต้องการที่จะขจัดช่วยเหลือบัรเทาภัยอันตรายซึ่งเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นแก่คนที่ตนไม่ตา ซึ่งตามปกติแล้วสัตว์โลกมันจะเบียดเบียนมันจะซ้ำเติมเวลาคนอื่นประสบความเดือดร้อนประสบความทุกข์ี่นจะไปซ้ำเติมเขาแต่ว่าใจที่กรอบในเมตตาจริงๆนั้นจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นแต่จะเกิดการุณาแล้วก็มีปัญญาเข้ากำกับจึงไม่โศกเพราะว่าโศกนั้นเป็นทุกข์นะฮะกรุณามันเป็นมรรค ถ้าเราพยายามจับธรรมะให้เห็นแต่ละข้อแต่ละข้ออยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มของทุกหรื อ, อยังในกลุ่มของสมุทัยหรือกลุ่มของนิโรธกลุ่มของมรรคเนี่ยในกลุ่มของทุกก็ทําใจา ย, ยอมรับความจริงตามสภาวธรรมกลุ่มของสมุทัยก็ศึกษาหเห็นโทษชัดเจนจากคนอื่นบ้างจากประสบการณ์ตรงเราบ้างสร้างสถานาการณ์สมมุติขึ้นมาคิดบ้างเนี่ย แล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นโทษทงนั้นโทษของกิเลสจริงๆก็ดูไม่ยากนะะในใจเราก็มีเยอะก็แสดงอยู่บ่อยแล้วก็พฤติกรรมทั้งหลายที่ปรากฏจังสื่อสารมวลชนมันก็เป็นอาการของกิเลสเยอะแต่บางครั้งบางครามันก็แรงแรงจนกลายเป็นน่าห่วงเมื่อก่อนได้ฟัง ราย ง, งานข่าวที่เกี่ยวกับคนซึ่งติดยาบ้ากับโรคเอดคนเป็นโรคเอดอยู่ตั้งสามสิบหกล้านที่ยังปกปิดอยู่กี่เท่าไรนะไม่รู้นะฮะเท่าที่ว่าอาการปรากฏแล้วตั้งสามสิบหกล้านพวกนี้ย้ายไปข้างประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศขนาดใหญ่ทีเดียวแล้วเป็นยาบ้าเนี่ยก็หลายสิบล้าน นั้นแสดงว่าคืออะไรอะคือเขาไม่เมตตาต่อตัวเองแล้วเ็าเบียดเบียนตัวเขามันเกิดมาจากวิหิงสาจึงเกิดความโศกจึงเกิดความทุกข์มันเกิดมาจากการเบียดเบียนประทุษร้ายแล้วก็มองการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ดี จนไเ่เผยแพร่ให้คนอื่นสร้างความตื่ดร้อนให้แก่คนอื่นตามไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งก็คือมองชัดเจนว่ามันเป็นโทษก็เรียกว่าสมนวนบาลีเนี่ยมันบางทีก็ฟังยากแต่มันเพราะนะฮเห็นโทษโดยความเติดโทษเห็นสองสกรปรกว่ามันสกรปรกเห็นใไรว่ามันร้อนคือเห็นตามความเป็นจริงนะฮะแต่ว่าสมนวนอาจจะเป็นบาลีไปห น, น่อย แล้วเราก็ไม่ค่อยใช้แต่ถ้าเราเกิดชัดเจนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าใจพยาบาทมันก็กลายเป็นสมุทัยกลายเป็นกิเลสเราไปเป็นการทะเลาะวิวาทกันมันก็กลายเป็นถุกนะเพราะงั้นถ้าใจมาอยู่ที่ด้านมากจากเริ่มต้นที่เมตตาเนี่ย ความคิดมันก็มุ่งที่จะเกื้อกูลแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์แก่คนถึงตนเมตตาเขาพยายามประพฤติกระทาในลักษณะนั้นแล้วก็แสดงออกมาครบได้ทางกายทาั้งวาจาทั้งใจไป ใ, ในใจก็ถูกจัดความอาฆาตพยาบาสนให้เราสังเกตว่าใครก็ตามที่เราเมตตาเขาเนี่ยเราไม่มีความอาฆาตปิยาบาสนีา อ, อาจจะทําอะไรไม่เหมาะไม่ควรอาจจะแสดงกิริยาอาการ ต่างๆที่ไม่เรียบร้อยก้าวร้าวรุนแรงอะไรก็ตามครับแต่เราก็หายไปได้อดทนได้เราคอยได้หรือจะเอาอะไรกันนั่งหนะที่สำคัญว่าเธอโกรธเราเราไม่โกรธเธอก็พอแล้วนะฮะบางทีเนี่ยแต่ถ้าเราโกรธก็ไปด้วยเรื่องมันก็ไม่ยุติหรอกเพราะเมืม่อเมตาเป็นฐานจิตมันก็ไปขจัดตัวอาคติอคต อาคารตะวัตถุนะเขาเรียกอาคารตะวัตถุถือวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาคตาิบอกว่าคนนี้เคยทําอันตรายต่อเราเคยทําอันตรายตัวอย่างพี่น้องของเราเคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเรื่องอดีตนะฮะเอามาเคี้ยวพวกเคี้ยวเอื้องนายเจเคี่ยวเอื้องเดีวบางทีก็คาดไม้เอา จนิทานเราว่าต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็เกิดฆ่าปยาบาททั้งท่นที่เขาม่นยังไม่ได้ทำํำนะนะเราคิดว่าเขาจะทำนั่นนั่นเองท่านจังจังฟังเราสังเกตอาการก็โมหะมันเกิดมาผสมแล้ว ม, มีเหตุผลในตัวของมัน แต่ในกรณีที่เขาทาประโยชน์ต่อคนที่เป็นศัตรูเรามันเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นความชอบทําความขาแล้วเขาก็ทําความดีทําไมต้องไปโกรวเขาล่ะแต่เพระใจมันมีหมวกฮะยังชอบสํานวนของหลีกวนอยู่นะเขาพูดเป็นไทยดีเขาบูดว่าโลภแบบโงงๆคือโลภแบบงงๆท้งนั้นโลภว่างลๆโก้ก็โงงๆอาฆาตเปรียบะก็โงงๆ เพราะก็สืบเนื่องมาจากโมหะหรือหมายความถ้าใจเราไม่มีโมหะพวกนี้มันก็ไม่มีโมหจะจึงเป็นรากเงาวรากเงาของสัพพิเลสทั้งหลายตอนนี้มันไปคขาจะปุกอาคาดได้เนี่ยก็หมายความว่าสติปัญญาเหตุผลในการคิดในการมองเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นภายในใจของท่านแล้วเมื่อ ภายในใจไม่มีอาคาตไม่มีโมหะนะลองสังเกตไม่มีโมหะไม่มีโทสะแล้วถ้ามองเลยไปอีกทีหนึ่งเนะี่ยให้ดูที่จิตนะแล้วก็จะเห็นว่าเราไม่มีโลภะโดยสมองคนนะั้นเอาแล้วสมมติสมมติคนนั้นสวยเราไม่มีราคาต่อคนนั้นแต่ละคนนั้นก็มีญาติพี่น้องที่สวยๆหล่อๆเยอะๆนะ แต่เราไม่มีความรู้สึกในทางเพศกับเขาไม่มีความรู้สึกโทสะต่อเขาเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจนั้นมันไปลดทัวโมหะรือความหลงไว้ด้วยแต่ก็จะเหตุผลนั่นคือลูกหลานเราดนะันคือพี่น้องเราคือยอดของเราไอ้สวยนั่นก็ยอมรับแหละว่าสวยแบบสุกมดการหลอก็ยอมรับปลอแต่ว่าเราไม่ได้ ม, มุ่งมาให้ตอบสนองความต้องการของเรา แต่ไม่เรามองเห็นว่าอาการก็ธรรมะ ม, ม่เป็นธรรมบาังสีเป็นรัศมีที่ศาสสองแล้วก็ขจัดมืดรอบตัวเองไม่ใช่ว่าขาจัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแน่นอนแหละมันก็จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะผลปฏิปักธรรมคือทําที่ตรงกันข้ามเนี่ยมันก็มีตัวหลักแล้วก็มีตัวใกล้ชิดคเครียกขั้นศึก โดยตรงและวก็สึกที่ใกล้ชิดอใกล้ๆนะกับวิหิงสาเนี่ยเป็นขั้นสึกตรงของความการุณาแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความโศกเนี่ยก็เป็นสตูแฝงของกรุณาบางค น, คนร้องโหยร้องไห้เวลาประสบการประสบสูญเสียก็เข้าใจพอตัวเองกรุณานะฮะที่ยืมมาเป็นโศกอาจจเป็นโศกเพราะถ้าการุณาแล้วใจจะต้องเย็นเมตตาในใจจะเย็น แต่นั้นท่านจึงบอกว่ามีความสงบเย็นเป็นผลที่ปรากฏอยู่ภายในจิตนี่แล้วก็มองสับไปชีวิตว่าเป็นน่ารักถ้าเรามองเขาด้วยความเกลียดไม่ตามกเกิดไม่ได้ต้องมองเขาด้วยความรักะรักระวังดีคือคือเรามองดีๆว่าแนวสมัยโบราณที่ท่านมองเนี่ยมองเอ า, ายุเป็นเกณฑ์ คนรุ่นเดียวกันก็คือเพื่อนคุ้กันคนที่อายุมากกว่าก็คือรุ่นพี่ขึ้นไปคนอายุน้อยกว่าก็คือน้องคือน้องคือลูกคือหลานคือเลี้ยอะไรก็แล้วแต่จะมองเราอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องของเราเนี่ยนับตัวอายุก็คือญาติพี่น้องของเรานับถึงสังสารวัฏเรมก็เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายกักนโมลิการร่วม เรารวมชาติร่วมศาสนาร่วมพระมหากษัตริย์รวมทุกเร่วมสุขกันในโรงเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็จากโลกนี้ไปเพราะแต่เราคิดได้ดีแล้วเนี่ยจะเบียเดเบียนเคดคากันไปทำอะไรเมตา น, นั้นท่านบอกว่าในกรณีที่เป็นการมาวจรหรือปาวจรนนั้นก็ถือว่าเป็นบารมี แต่ว่ามีสัตว์วับญัติเป็นอารมณ์คือหมายความว่าเราไปกำหนดสถานะของสิ่งมีชีวิตว่าน่ารักถ้าไม่กำหนดอย่างนั้นมันก็เมตาไม่เกิดที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมตตาเนี่ยมันเป็นธรรมที่คั้จุดโลก พระเจ้าทรงสแสดงยกย่องไว้ว่าจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจขังกิเลสดยเมตตาแม้เป็นไปลัดน้เมือเดียวสมัยโบราณเขาเรียกว่าช้างปอหูหูหมูแลบดินเนี่ยก็ยจะเป็นธรรมมีผลมีอนิสง์มากไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำให้มากหรือกระทำบ่อย มันถ้าเราฟังแล้วเราจะเห็นร่าจับเราจะจับที่สิ่ข้อสมมติว่า จ, จับสิ่ถึงข้อที่หนึ่งนะปาณาติปาตาเนี่ยแล้วลในที่สุดก็จะไปครุมหมดเพราะเมตตา ม, มันเป็นฐานจิตไปแล้วเรามองคนสัตว์น่ารักเพรา ะ, ะ น, นเราก็ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเขาไม่ได้ไปละเมิดในคู่ครองเขาไม่ได้หรือวไปร่วมเกินทางเพศไม่ได้ ไอ้โกหกกลบลวงเขาก็ไม่ได้ไปมองเมาเขาด้สิ่งเสพติดในโทษก็ไม่ทํานะะเพราะอะไรเพราะระวังดีต่อเขาที่จริงแล้วเนี่ยปัญหามันก็มีแค่สี่เรื่องแต่นั้นเองนะฮะคือสีลงสี่ข้อที่ทรงใชก้กับมากรรมจีเลศไอ้สุรามันหาเรื่องนะฮะที่จริงก็หาเรื่องในแกนตัวเองเขาวิ่งไปหาเขาเขาไม่ได้วิ่งมาทําอันตรายอะไรแกเรา แล้วก็ชีวิตทรัพย์สินคู่ครองการสื่อสารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเราวิ่งเข้าไปทําลายชีวิตเขาวิ่งเข้าไปยึดถือทรัพย์สมบัติของเขายึดวิ่งเข้าไปหาผู้ครองเขาแต่วิ่งเข้าไปพูดโกหกับเขาเนี่ยก็เรียกหาเรื่องนไงที่จริงวิ่งไปอย่างนั้นมันมันไม่ได้แปลกอะไรคือไปอย่างนั้น่ไปช่วยเขาก็ได้ ไปปกป้องทรัพย์สินเขาก็ได้ปกป้องคูครองเขาก็ได้ไปแจ้งข่าวความจริงแท้ต่างๆนี่ก็เกิดความเข้าใจก็ได้มันทําได้อยู่แล้วเวลาทำอยู่ที่ความคิดเมื่อเราคิดต่อเขาอย่างไงเพราะฉนศีเนี่ยเราดูจะมากจะมากข้อแต่พอปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปถึงระดับของธรรมะแล้วเนี่ยข้อมันจะน้อยลง คือธรรมะข้อเดียวเนี่ยเขกินได้รอบตัวนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเาธรรมะโดยเนื้อหาถ้าเราจับอะไรล่ะไม่ลบไม่ปวดไม่หลง ก, ก็ได้นะจะไม่ลบไม่ปวดไม่หลง ก, ก, ก็ได้หรือจับที่ปัญญาควาไม่สุดความไม่ตาโภนานก็ได้หรือจับที่วิชาคําเดียวก็ได้พัฒนาวิชาไปอย่างเดียวแล้ววิชามันจะขจัดอวิชชาแล้วก็ขจัดโลภะโทสะโมห oh ะไปเรื่อยๆนะ จิตมันก็กลายเป็นไม่โลบไม่กดไม่ลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสงบเย็นก็จะติดตามมาเพราะว่าเวลาเขาเกิดเนี่ยไม่ใช่ก็เกิดโดยลำพังแต่เขาแ็จัดสิ่งที่เป็นขั้สุด ก, กับเขาให้ย่อนกำลังลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปได้นที่สุดต้องฟังกันงหลายแต่รลวงุทยญาณใ น, นวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเก่าดีที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรม ทุกทีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี